ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประพระบุพพศิขาและบุพพศิขาวันน า, นาพระอมราธิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาตรจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวในอนามาสาดิกถาก็คือวัตถุที่เป็นอนามาเป็นต้นข้อหนึ่ง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 ด้วยทงห้ามไว้ในวินิจตวัตถุแห่งกายักษังสักคะเรื่องการจับต้องกายหญิงในสุขาบทที่ว่าด้วยเรื่องการจับต้องกายหญิงว่าอาปติดุกตตะดังนี้อันมาตุคาม์ย่อมเป็นข้าศึกแต่โภมาจันเพราะเหตุ น, นั้นเมื่อคิดถึงอาจยาของพระผู้มีพระพาเจ้าอยู่ถ้าแม้เห็นมารดาตกน้ําลอยไปตามกระแสอนาพึงถูกต้องด้วยมือเลยเจสุผู้ฉลาดพึงเอาเรือหรือกระดาน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 แม้มานดาติดโคลนและตกลงอยู่ในบ่ก็เหมือนกันพึงเอาเชือกหรือผ้าทิ้งลงไปในที่นั้นรู้ว่ามานดาจับเอาแล้วพึงรั้งขึ้นมาแต่ว่าอย่าถูกต้องตัวใช่แต่สรีระแห่งมาตุคามอย่างเดียวเป็นอนามาต์แม้ผ้าหนุ่งผ้าหม่มและเครื่องประดับโดยที่สุดเทิดจ้าและแหวนใบตานเป็นของหญิงยังหวงอยู่เพื่อเป็นเครื่องประดับ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 ข้อหนึ่งจับต้องตุกตาไม้เป็นรูปหญิงเป็นทุกกฎด้วยทรงห้าเว้ในวีนิตวัตถุว่าอาปฏิตุกตตะดังนี้แม้รูปงารูปเหล็กรูปโลหะรูปดีบุกรูปปั้นดยปูนหรือว่าสมัยนี้ก็รูปปั้นพลาสติกรูปแล้วด้วยแก้วทั้งปวงโดยที่สุดรูปแล้วด้วยแป้งก็ดีที่เขาทำสันฐานดังหญิงเป็นอนามาทั้งสิ้นรวมทั้งรูปภาเลยนะ รูปโปต่างๆคนนี้เขาถวายเพื่อบริโภครูปอันเศษเว้นแต่รูปแล้วด้วยแก้วทั้งปวงจะต่อยเสียที่ควรเป็นอุปการะนําเข้าไปเป็นเครื่องอุปการะที่ควรบริโภคน้อมเข้าไปเป็นเครื่องบริโภคควรอยู่แต่ว่าต่อยให้มันเสียรูปไปก็ใช้ได้เอาสิ่งที่ควรใช้สอยบริโภคใต้เอาไปใช้ก็ได้ ใช่แต่รูปหญิงอย่างเดียวแม้ข้าเปลือกเจ็ดประการก็เป็นอนามารเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อเดินไปกลางนายาพึงถูกต้องเมล็ดข้าเปลือกแม้เกิดอยู่ในนานั้นถ้าเขาตาเข้าเปลือกไว้ที่ประตูบ้านหรือว่ากลางทางผนทางไปโดยข้างมีอยู่ยาพึงเหยียบไปเมื่อทางไม่มีพึงอธิษฐานว่าเป็นทางแล้วก็ไปเถิดในละแวกบ้านเขาปูอาสนะบนกองข้าเปลือกให้นั่ง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 เป็นอย่างเดิมอยู่ควรจับต้องได้นอกนั้นเป็นอนามาตแต่ในอัตถิฐานมหาปัญ จ, จรีกล่าวว่าแก้มุกดาแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดประตามเป็นอนามาตจะรับเพื่อบูนค่าพันดะไม่ควรแต่จะรับเพื่อเป็นยารักษากุดถังคือแก้โรคเรือนนี่ควรอยู่จะมาเป็นค่าพันดะเครื่องใช้ต่างๆไม่ควรแต่ว่าเอาไว้รักษาโรคได้อยู่แก้มณีเป็นต้นว่า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 เือด้รัตนะเป็นอนามาสังที่เป็นภาชนะน้ําแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดกอดีเป็นอาม마าสจับต้องได้เอาไว้ตักน้ํำดื่มสังนอกนั้นจะรับเพื่อเป็นยาตาหรือมูลค่าพันดะตะควรศิลาเขาขัดเจาะแล้วเขาประกอบรับตนะเข้าด้วยมีผีดังถั่วเขียวเป็นอนามาสจับต้องไม่ได้ศิลานอกนั้นจะรับเพื่อเป็นหินลับมีติเป็นต้นควรอยู่ แก่ประธานเขาขัดเจาะแล้วเป็นอนามาต์นอกนั้นเป็นอามาตจับต้องได้ที่เขายังไม่ได้ขัดไม่ได้เจาะจะรับเพื่อมูลค่าพันดะก้อควรแต่ในมหาปัจจรียกก็กล่าวอีกว่าแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดก็ดีทั้งปวงเป็นอนามาติ้นจะรับก็ไม่ควรจะเชื่อฝ่ายไหนตามอริธาหรือว่าตามมหาปัญ จ, จรียกปรัชน า, าดูนะเงินทองเขาตามเป็นรูปพันแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำก็ดี ตั้งแต่พืชเป็นต้นไปเป็นอนามาสด้วยเงินทองจะทำหรือไม่ทำก็เป็นอนามาตหมดไม่ควรรับด้วยประการทั้งปวงได้ยินว่าอุตรราชบุตรสร้างเจดีย์ทองแล้วส่งไปแก่พระมหาปทุมเถระท่านห้ามเสียว่าไม่ควรในเรือนเจดีย์มีบัวทองและดาวทองเป็นต้นแม้ของเหล่านั้นก็เป็นอนามาสด้วย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 มีคติแห่งทองแท้เป็นอนามาสจับ ต, ต้องไม่ได้คำเหล่านี้ว่าไว้ในอัตถิฐาทั้งหลายเครื่องบริโภคในเสนาสนะเป็นกับิยะทั้งสิน้นพระเหตุนั้นบริขารแห่งเสนาสนะทั้งปวงแล้วด้วยทองและเงินก็เป็นอนามาตสจับต้องได้เขาทำรัตนมนต์ดบเป็นที่แสดงธรรมและวินัยแห่งพิจุเสาก็แล้วด้วยแก้วพลึกประดับด้วยภูงรัตนะเครื่องอุปการะในมนต์ดบนั้น ทิฏฐุจะชำระควรอยู่แก้วทัพทิมเขาขัดเจาะแล้วเป็นอนามาตนอกนั้นเป็นอาม마สท่านว่าจะรับเพื่อเป็นมูลแห่งพันดักควรอยู่แต่ว่าในมหาปัญจเรียกกล่าวว่าแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดก็ดีเป็นอนามาตทั้งสิน้นจะรับก็ไม่ควรแสดงว่าในมหาปัญจเรียนี้ทั้งที่เคร่งครัดมากเหมือนกันนะเครื่องอาวุธทั้งปวงเป็นอนามาต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 แม้จะรับดนตรีเพื่อเป็นมูลแห่งพันตะก็ควรแต่ที่ได้มาเพื่อจะบริโภคจะถือเอาเพื่อทำบริขารนั้ น, น, น, น, นคือรังพินตัวกรองทำเป็นภาชนะไม้ถีฟันหนังจะทำเป็นฝักมีดแล้วทาเป็นอย่างนั้นก็ควรเหมือนกันข้อหนึ่งอย่าจับต้องผลไม้มีกล้วยและมะพร้าวเป็นต้นซึ่งเกิดอยู่ในที่เกิดเป็นที่ต้น ถ้าถูกต้องลูกครามต้องทุรุ ป, ปะจินนะทุกก ฎ, ท, กกฎทุกกฎเพราว่าประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วข้อหนึ่งไปเที่ยวบินทบาตผงตกลงในบาทเพึงให้ประเคิบาทเสียใหม่หรือล้างเสียก่อนจึงรับพิกาาถ้าไม่ประเคิและล้างเสียก่อนต้องวิเนยทุกกฎก็เป็นระบาตถ้ามีผงมีอะไรตกลงในบาทแล้วก็ไม่ล้างไม่ประเคิใหม่เนี่ยอนามาสาดิกถาจบ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 รำฟ้อนเองหรือว่าให้ผู้อื่นรำฟ้อนเป็นทุกกฎแท้ขับร้องแห่งคนฟ้อนหรือว่าเพลงขับร้องประกอบด้วยคุณแห่งพระรัตนตรยัยในเวลาพระอริยเจ้านิพพานหรือขับแห่งพิจตุผู้แสดงธรรมไม่สมรวมโดยที่สุดแม้ขับด้วยฟันก็ชื่อว่าขี่ตะทั้งสิ้นคิดว่าจะขับและกดลงในส่วนกอนหรือว่าร้องแต่ต้นเพลงขึ้นแม้อันนั้นก็ไม่ควร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 ข้อหนึ่งไม่ผูกประคตเอวก่อนอย่าเข้าบ้านถ้าเข้าไปเป็นทุกขก์ดจวยทรงข้าไว้วา่าณพิกเเวะกายะพันธเนีนคาโมปวิสิตะโบดังนี้แม้ไม่ได้ผูกประคตเอวออกจากวัดระลึกได้ในที่ดใดพึงผูกในที่นั้นคิดว่าจะไปผูกที่โรงฉันใกล้บ้านแล้วและไปก็ควรระลึกได้แล้วยังไม่ได้ผูกอย่าพึ่งเที่ยวไปบินถบาทก่อนอยวไปหลุดลุยกลางทางก็จะโปอายเขา ข้อหนึ่งมีบาดอยู่ในมือยาผลักประตูถ้าผลักต้องทุกข์กดด้วยตรงห้ามไว้ว่านาภิกเวปะตะหัดเถนะกะวาตังปนาเมตะบังดังนี้เฉพาะบาดอยู่ในมือพิกษุใดพิกสุ น, นันชื่อว่ามีบาดอยู่ในมือประหามัยเฉพาะผลักไม่ได้จะบานอย่างเดียวก็หามัยแม้ถึงว่าบาดอยู่ในมือหรือว่าในหลังเท้าในสตรีระวัยวะอย่างใดแห่งหนึ่งก็ตาม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 อยนอนในที่มีผ้าห่มผืนเดียวกันอย่านอนในที่มีเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันถ้านอนดังนี้ต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่านะเอกะมันเจนะเอกะธรนีนะเอกะปาปุรนีนะเอกัะธรนปาปุรนีตุวตัตติกับบังดังนี้ในเตียงและเครื่องลาดวางผ้าหรือไม่เทา้าโดยที่สุดแม้ประคดเอว ล, ลงตรงกลาง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 ถ้าฉานและดื่มดังนั้นต้องทุกกดด้วยทรงค้ามว่าณภนะิกขเวเอกทราชเนภุญชิต บ, บังณนะเอกถาเลปาตับบังดังนี้ถ้ารูปหนึ่งถือเอาผลไม้และขนมไปฉันอยู่รูปหนึ่งฉันของที่เหลืออยู่ในภาชนะก็ควรก็ไม่หยิบพร้อมกันสักคนต่างหยิบแต่ว่าหยิบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาหยิบอีกรูปขึ้มาหยิบแม่รูปที่ถือเอาไปฉันหมดแล้วจะถือเอาอีกในขณะนั้นก็ควร ข้ 1> 1. อหนึ่งยาฉันกระเทียมตาฉันต้องทุกกอดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวละสุนังขาดิตบังดังนี้จะเจือกระเทียมลงในถูปะของฉันเป็นต้นก็ควรอันหนึ่งเป็นไ่ายยาต้องเข้ากระเทียมพระโรคนั้นจะฉันกระเทียมก็ควรด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวเข้าความละอาภาทัพปัจจยาละสุนังขาดิตุงดังนี้ละสุนังนี้แปลว่ากระเทียม พริกตูนี้นี่ไปฉันกระเทียมนี่ต้องบัดพาจิตีขอมพิสุนี่ต้องบัรทุกกดแต่ว่าในเอาากสารที่เขาแสดงว่ากระเทียมนี้หมายถึงกระเทียมมคตนะอันนั้นกระเทียมไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรข้อหนึ่งเท้าไม่ได้ล้างอย่าเหยียบเสนาสนะมีเตียงตั่งเป็นต้นและพื้นที่เขาทําบริกรรมเป็นของสงข้อหนึ่งเท้ายัางชุ่มด้วยน้ําอยู่อยาเหยียบเสนาสนะเช่นนั้น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 จะไม่ปิดด้วยผ้าหรือว่าวัตถุอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วอิงไม่ได้เลยตึงมีวัตถุทองข้อหนึ่งอีกเมื่อจะวางเตียงตั้งที่พื้นปูนหรือว่าพื้นที่เขาประพรมถ้าเสื้อรำแพนและเสืออ่อนลาดอยู่ไม่มีก็คือไม่มีทั้งเสือรำแพรนเสืออ่อนเพิ่งเอาผ้าพันเท้าเสียก่อนด้วยทรงอนุ ญ, ญาตเลยว่าอนุชานามิพิกเวโจรเกณะปริเวเถตุงดังนี้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 ข้อหนึ่งเตียงต่างของสงหรือว่าพื้นที่เขาทำการประพรมหรือเครื่องราชเสนาตระซึ่งจะพึงเหยียบ ด, ด้วยเท้าที่ล้างแล้วพึ่งเอาของของตนปูราดก่อนจึงนอนด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวเข้าความละปัจจัถริตวานิปัจชิตุงดังนี้ราดแล้วถ้าแม้นอนหลับอยู่เครื่องราชนั้นย่นเข้าสรีราพยบอันใดอันหนึ่งถูกเตียงต่า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 ได้ทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่าณพิกเวดีคาเกสาทาเรต บ, บาอนุชานามิพิกเวขว้อความละทุมาสิ ก, กังวาด้วังคุลังวาดุมาสิ ก, กังสองเดือนทุวังคุลังกะสองนิ้วแปลว่ายาเพลิงทรงผมไว้ให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกกดเราจะถาคตอนุญาตให้ไว้ผมเพียงสองเดือนหรือว่ายาวเพียงสองนิ้ว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 อย่าให้เขาทำหนวดเป็นสี่เหลี่ยมคือว่าจะปรากฏเป็นสี่มุมสี่แยมอย่างไรอย่าให้เขาทำอย่างนั้นอย่าให้เขาทำประมวลคลาว อ, อกเป็นแถวเป็นจอมอย่าให้เขาทำคราวที่ท้องตั้งไว้เป็นแถวเป็นจอมถ้าให้เขาทำอย่างว่ามาต้องทุกกฎข้อหนึ่งอย่าไว้หนวดดังเที่ยวถ้าไว้ดังนั้นต้องทุกกดข้อหนึ่งอย่าไวข้ขนจมูกให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกก ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิคนะเวดีคังนาะสิกะโลมังทารปตะ บ, บังดังนี้ขนจมูกพึงถอนเสียด้วยแหนบซึ่งเป็นของทรงอนุญาตและจะให้เขาถอนขนจมูกด้วยกรวดเป็นต้นไม่เป็นอาบัติแต่พระองค์ทรงอนุญาตแหนบไว้เพื่อจะให้รักษาตนข้อหนึ่งอย่าไว้เล็บยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกข์กรดพึงตัเดเสียด้วยมีดตัดเล็บให้เสมอเนื้อด้วยทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่า ณพิฆเวดีคาณขาทางเรตะบังอนุชานามิพิฆเวเข้อความละนขาดเฉดะนังอนุชานามิพิฆเวข้อความละอีกมังสัตปมานนะีณณขังฉินดิตุงดังนี้ตัดเล็บด้วยเล็บก็ดีไม่เป็นอบัติแต่พระองค์ทรงอนุญาตมีตัดเล็บไปเพื่อจะให้รักษาตน ตัวนี้ก็ต้องรักษามาพฉะนั้นก็ต้องดูแลเยวยาไปตลอดจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานสี่ครั้งข้อหนึ่งอย่าให้เขาขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บถ้าให้เขาขัดต้องทุกกดพึ่งขัดเอาแต่มนตินเล็บออกเสียจากเล็บด้วยตรงห้ามและอนุญาตเวยว่านาพิขเววีสติมัตถังการาเปตะ บ, บงังอนุชานามิพิขเวเข้อความละมะละมัตตังอะปะกัดทิตุง ดังนี้นี้ก็เป็นเรื่องของสิกขาบทที่เป็นอาจิตกะซึ่งก็ยังมีอีกมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นก็จะยุติเพียงแค่นี้ใครท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาในอธิสุลศึกษาทุกข์กูลแก่อธิเจติศกขาและก็อธิปัญญาศึกษ า, กอ า, กษาขอให้ได้มีศรัทธาในพระธรรมตรายมั่นคงยิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นโลกุตรศรัทธา ก็คือได้บรรลุมากผล น, นิพพานในการอนใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ